เกิดมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องประสบก็คือความพัดพรากสูญเสียไม่ใช่พัดพรากสูญเสียเฉพาะของรักเท่านั้นนะที่สมคัญก็คือความพัดพรากสูญเสียคนรักโดยเพราะถ้าเป็นความพัดพรากสูญเสียด้วยความตายอันนี้เป็นเรื่องที่ ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้คนทั่วไปเพราะหากว่าสูญเสียของรักนะก็ยังสามารถจะหาของใหม่มาแทนได้แต่ถ้าสูญเสียคนรักนี่เป็นการสูญเสียด้วยความตายเนี่ยก็ไม่สามารถจะเอาหรือหาใครมาทดแทนได้ ซึ่นงเราก็ต้องเจอความพัดพาสูญเสียคนรักนี่หลายครั้งยิ่งมีอายุยืนยาวเท่าไหร่นะยิ่งต้องเจอความพัดพาสูญเสียคนรักเนี่ยมากนะจะว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของคนมีอายุโชคร้ายคือต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ กว่าจะเส้นลมแต่ในแง่นหนึ่งนะมันก็สอนใจให้เราเห็นถึงความเป็นธรรมดามันทำให้เกิดภูมิคุ้มใจหรือภูมิคุ้มการจิตใจที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะยอมรับหรือรเผชิญกับความพัดพ้าสูญเสียคนรักได้ แต่ในขณะที่อายุยังไม่มากนะหรือว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันจิตใจมันก็ต้องเกิดความเศร้าโศกนะความเสียใจเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวไปเลยหมือนเนื้อหมดตัวนี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะแต่หมายถึงจิตใจนะมันจมอยู่ในความเศร้านะกว่าจะผ่านมาได้กว่าจะออกมาได้ก็ ใช้เวลานานระหว่างนั้นก็อาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหมดอะไรตาย อ, อยากไปชีวิตอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวาอันนี้เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะออกจากความเศร้าโศกเสียใจได้แมนะ่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะ ก็รักกันมากแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานนะยี่สิบสามสิบปีนะแต่ต่อมาเนี่ยสามีก็ป่วยด้วยโรคร้ายรักษามไม่หายในขณะที่วาระสุดท้ายใกล้เข้ามาภรรยานี่ก็เศร้าโศกมากเธอก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรนะถ้าไม่มีเขา วันหนึ่งก็เลยระบายความรู้สึกนี้ให้ฟังให้สามีฟังว่าฉันจะอยู่ยังไงนะถ้าไม่มีเธอสามีก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยก็ขอให้เธอเนี่ยนำความรักที่เธอมีให้กับฉันนะไปมอบให้กับคนอื่นอ่ะประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ มันสามารถจะช่วยเธอให้ออกมาจากความทุกข์ได้คาพูดของสามีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปไปหาคนอื่นนะหรือไปอยู่กินกับคนอื่นแต่หมายความว่าให้ไปนะทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยคนอื่นช่วยคนตกทุกข์ได้ยากคนที่เดือดร้อน จะเป็นคนยากคนจนเป็นคนแก่เป็นเด็กช่วยคนเหล่านั้นด้วยจิต ท, ที่มีเมตตาเธอก็ทำตามนะพอสามีจากไปเนี่ยแม้เศร้าโศกเสียใจเธอก็พยายามนะไม่อยู่นิ่งเฉยออกไปช่วยเหลือไปเป็นจิตนาสาช่วยคนที่เขาลำบาก แม้ว่าทีแรกมันจะยากนะเพราะว่าความเศร้าเนี่ยมันก็พยายามหน่วงเหนียวนะจิตใจเธอไว้ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะไปไหนอยากจะนั่งซึมนะคิดถึงสามีที่จากไปแต่พอนึกถึงคำแนะนำของเขากนะ็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปไปเป็นจิตอาส า, ศาไปช่วยคนนั้นคนนี้ พอกัว่าเทือรอน้อยเทือรอน้อยนะก็สามารถจะหลุดจากความโศกเศร้าได้แล้วกลับมามีชีวิตชัวร์เหมือนเดิมสามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าสามีจะจากไปละคนเราเวลาเศร้าโศกนะหรือเวลาทุก์เนี่ยจิตมันมักจะจมอยู่ในอารมณ์นั้นนะอย่างที่พูดไปเมื่อวานความเศร้าโศกมันก็พยายามฉุดพยายามดึงจิตให้เราพยายามดึงจิตของเราให้จม นะจนกระทั่งเหมือนกับอยู่ในหลุมนะที่มันลึกสิ่งเดียวที่ช่วยทำให้หลุดจากไอ้ความโศกเศร้าสิ่งหนึ่งนะไ่สิ่งเดียวสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้หลุดจากความโศกเศร้าได้คือการที่คิดถึงคนอื่นนะแล้วก็ทำอะไรเพื่อเขาเหล่านั้นมันจะช่วยทำให้หลุดนะจากความเศร้าหลุด จากหลุมดำได้เทเลนิตเทเลนิตมีพิ่ิคนหนึ่งนะเป็นกุมาระแพทย์นะเป็นแพทย์ที่รักษาเด็กศูนย์เสียสามีตั้งแต่ เ, เธออายุยังไม่มากนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วเาก็จากไปแบบกระทันหันแล้วก็ทำใจไม่ได้นะเศร้าโศกเสียใจ ขนาดงานโศกผ่านไปแล้วนี่ก็ยังซึมเจ้าจุกเจ้าจมอยู่ในความโศกความเศร้าอยู่ที่ทำงานก็เอาแต่นั่งเศร้าซึมอยู่บนโต๊ะนะอยู่ในที่ทำงานไม่ออกไปนะทำงานไม่ออกไปทำหน้าที่นะตรวจเด็กนะเยียวยาเด็ก เป็นอย่างนี้เนี่ยหลายวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แรกเพื่อรวมงานพยาบาลก็เห็นใจเธอนะก็ไปเธอเนี่ยนะจ่าจมอยู่ในความเศร้าแต่พอมันผ่านไปหลายวันนี่อนี้กุมารแพทย์คนนี้เนี่ยแกก็เศร้านะจมจมอยู่กับความโศกเนี่ย นานเกือบสองอาทิตย์นะ เ, นเพื่อนๆแล้วก็ลูกน้องเนี่ยก็เห็นว่าปล่อยไปอย่างนี้คงไม่ได้การวันหนึ่งก็เลยคนหน้าพยาบาลก็เลยเอาเด็กอย็กในวอร์ดนะในหอผู้ป่วยนี่แหละมามอวางบนโต๊ะนะแล้วก็ไปหมอก็ไม่สนใจนะ ก็ยังเศร้าซึมผ่านไปพักใหญเนี่ยเดกก็ร้องไห้หมอก็เลยจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็ต้องไปดูว่าร้องไห้เพราะอะไรอ๋อฉีราดนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเสแล้วก็นั่งซึมเหมือนเดิมผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเด็กก็ร้องอีกนะ หมอก็มาดูเป็นพ่ออะไรมันเด็กไม่สบายนะต้องให้ยาก็ลุกขึ้นมาจัดการนะรักษาเด็กแล้วก็นั่งซึมต่อนะจนได้เวลาเลิกงานก็ปุ่มเด็กคนนี้เนะี่ยไปคืนหอผู้ป่วยแล้วกลับบ้านวันรุ่งขึ้นนะเธอก็มาที่โรงพยา บ, บาลเหมือนเคยนะแต่เช้าเลย แต่คราวนี้แทนที่จะไปนั่งซึมอยู่ที่ห้องของตัวเองเนี่ย<ว>ก็ถามพยาบาลที่หอผู้ป่วยว่าเป็นไงเด็กคนเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเธอก็ไปดูไปดูอาการเสร็จแล้วก็เลยยาวเลยนะไปดูไปเยี่ยมไปตรวจ ด, ดูเด็กคนอื่นๆในหอผู้ป่วยด้วย วันนั้นทั้งวันเธอกนะ็ไม่ได้กลับไปเศร้าอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะแต่กลับไปทำงานแล้วก็วันต่อไปก็นะกลับไปดูแลนะเด็กๆที่ป่วยไอ้ความเศร้านะความซึมนะที่เคยทำให้เธอนั่งจมอยู่ในห้องนี้ก็นะคลี่คลายไปกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของคนที่เวลาเศร้าเนี่ยเพราะความสูญเสียเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าได้นะออกไปทําอะไรเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยมันจะช่วยคลายความโศกเศร้าได้การคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นยานะที่ช่วยบรรเทาความทุกข์หลายๆชนิดได้การคิดถึงคนอื่นหรือช่วยคนอื่นนี่ที่จริงมัน รวมไปถึงการใส่ใจนะกับแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยมีคนปลู่คนหนึ่งนะแกอยู่กับภรรยามาต้องหกสิบปีนะอายุเนี่ยกเกือบเก้าสิบแล้วต่อมาภรรยาก็สูญเสียชีวิตนะตอนที่แกอายุประมาณสักเนี่ยเกือบเก้าสิบแล้วคนที่อยู่ด้วยกันมานานหกสิบปีพอคนหนึ่งหายไปนี่มันมันเหมือนกับว่าชีวินี่ นะขาดสิ่งสำคัญไปทำใจไม่ได้นะรู้สึกเควง้งคว้างเงาอยู่แบบสั่งกระตายวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าขับรถเนี่ยนะลงคูแต่ว่าตำรวจช่วยไว้ทันที่แรกเมื่ออุบัติเหตุนะแต่ดูแล้วเนี่ยสงสัยเป็นการพยายามฆ่าตัวตาย คนณปูกแกคงประเภทว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วมันไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่ออะไรลูกเนี่ยซึ่งอ่าอยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่คนละเมืองเลยนะก็คิดว่าคืนปล่อยให้พ่อเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยคงอยากคิดฆ่าตัวตายก็เลยพาไป สถานสงเคราะห์คนชราสถานสงเคราะห์คนชราในอเมริกานี่มันทำอย่างมาตรฐานนะไม่ใช่เหมือนกับเมืองไทยที่บ้านบางแคร์ปู่้วพ่อก็ไม่อยากไปนะแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงละก็เลยต้องไปเหตุผลหนึ่งที่ลูกเนี่ยให้พ่อเนี่ยนะไปบ้านวักคนชราก็เพราะว่า แกไม่สนใจนะเรื่องกินเรื่องนอนเลยกินก็ไม่กินนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจก็เลยต้องให้ไปอยู่บ้านพักคนชราเพื่อจะได้มีคนมาช่วยดูแลแต่ไปพักคนชราแล้วก็ยังซึมเหมือนเดิมให้อาหารอะไรก็ไม่กินเอาแต่นอนอยู่บนเตียงนะยาก็ไม่กิน เหมือนกับว่าอยากจะปล่อยให้ตัวเองแห้งตายไปนั่นแะมันหมดแรงจูงใจในการมีชีวิตแล้วหมอนี่ก็ตนใจนะหมอก็นี่กระเป๋าลูกก็รู้ว่าสงสัยเนี่ยพ่อคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะแกไม่กินเลยนี่ยนะยาก็ไม่เอาเอาแต่นอนติดเตียงอย่างนั้นแหละแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะ ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีนโยบายใหม่นะเขาเอาให้เอาสัตว์มาเลี้ยงในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรือว่านกนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะก็มีเจ้าที่โรงพยาบาลเจ้าที่สถานพยาบาลบ้านพักคนชราเนี่ยเอานกแก้วคู่หนึ่งนะมาไว้ในห้องของปู่คนเนี้ยทีแรกแกก็ไม่สนใจนะ แต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแกก็เริ่มขยับตัวนะเพื่อที่จะได้มองเห็นให้นกแก้วคู่นี้ชัดๆหน่อยแกก็ยังไม่พูดไม่คุยกับใครนะเป็นงี้มาเป็นอาทิตย์และ ว, วันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเจ้าที่โรงพยาบาลมาเจ้าที่สถานพักฟื้นมาแกก็พูดขึ้นมาเลยว่าให้นกตัวนี้นี่มันนะมันไม่ค่อยกินอะไรเลยนะ เจ้าที่บัณฑตคนฉลานี่แปลกใจมาเพราะแกไม่ไม่เคยปิดปากพูดนี่มานานแล้วตั้งแต่มาเลยแกเริ่มพูดแล้วนะแล้วต่อหลังเนี่ยแกก็เริ่มเนียลุกจากเตียงแล้วก็ไปอ่าเอาเอ า, เอาถั่วเอาอาหารไปเลี้ยงนกแก้วไอ้คู่เนี่ยแล้วก็เริ่มที่จะพูดคุยกับนกแก้วแล้วก็เริ่มสนทนากับเจ้าที่นะบัาฑิตคนฉลาเกี่ยวกับ ไอ้นกคู่เนี่ยนะแล้วก็เริ่มกินอาหารแล้ววันต่อมาก็แต่งเนื้อแต่งตัวเป็นครั้งแรกที่เดินออกจากห้องไปทำอะไรนะอ่ะไปดูไปเยี่ยมสัตว์นะแล้วก็ตอนหลังก็อาสาพาหมาออกไปเดินเล่นข้างนอกเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอ่ะเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่ง สุดท้ายก็สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะออกจากบ้านพระคุณจรักลกลับไปบ้านได้อันนี้เรียกว่ารอดตายหรือว่ามีมีกำลังที่จะอยู่ได้นะก็เพราะการนึกถึงสัตว์นะอนพอนึกถึงสัตว์นะนึกถึงนกแก้วนึกถึงหมานึกถึงแมวนะมันก็เกิดกำลังใจที่จะอยู่ให้การนึกถึงคนอื่นหรือนึกถึงสัตว์อื่นเนี่ยนะ มันคือเมตตานะคนเราเนี่ยพอเกิดเมตตาในจิตใจเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความโศกความเศร้านะมันเป็นการเยียวยาจิตใจทำให้มีกำลังที่จะอยู่ความเศร้าเนี่ยมันเป็นอกุศลธรรมนะมันแพ้นะมันมันเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่เรียกว อ, อกุศลธรรม กุศลธทําก็เช่นเมตตาเนี่ย้พอเราเกิดเมตตาในจิตใจเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำดีนะมันก็ไปไล่น้าเสียออกไปคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอยู่นิ่งๆนะไม่ทำอะไรนนะไอ้ความซ่อ้ามก็จะค่อยแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยทาอะไรเพื่อคนอื่นหรือแม้แต่สัตว์อื่นเนี่ยมันก็เกิดมีเรี่ยวมีแรงมีกำลัง เมตตามันทําให้เกิดความสุขนะไอ้ความสุขนี่มันก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้แม้การคิดถึงคนอื่นเนี่ยนะหรือการทําอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันสามารถจะช่วยบรรเทานะความเศร้าโศกจากความสูญเสียได้ที่จริงมันก็มีอีกหลายวิธีนะที่จะช่วยเยียวยาบรรเทาความเศร้าโศกไดนะ้การที่เราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ นะเรื่องของจิตใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่จะขะจัดปัดเป่านะความเศร้าด้วยการเรียนรู้การปล่อยวางบ้างก็ช่วยได้หลายคนเนี่ยก็รู้นะว่าให้ความเศร้ามันไม่ดีแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงกับมันเพราะว่ามันคอยเล่นงานมันคอยรังควาจิตใจ เยเมื่อ40ปีเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โกเบประเทศญี่ปุ่นนะก็ตายกันไปเยอะนะมีครอบครัวนหนึ่งเนี่ยสูญเสียลูกแล้วก็สูญเสียสามีไปพร้อมๆกับบ้านแล้วก็ทรัพย์สมบัติมากมายคุณป้าเนี่ยแกก็เศร้าโศกเสียใจนะ สูญเสียคนรักพร้อมกันทั้งสองคนทรัพย์สมบัติก็หมดไปแล้วชั่วพิบตาเลยผ่านไปเป็นปีนะแกก็ยังไม่หายเศร้าโศกแกก็พยายามนะทำทุกอย่างเพื่อที่จะคลายความโศกเศร้าแต่มันก็ไม่หายใครแนะนำอะไรก็ไม่ได้ช่วยเธอดีขึ้นเลยเธอก็ทุกขนะ์ความเศร้าโศกไม่รู้จะทำยังไง วันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าที่เกียวโตเนี่ยมีวัดหนึ่งนะผู้คนชอบไปวัดนั้นโดยเพราะคนที่มีเคราะห์นะมันเป็นวัดที่อยู่บนหน้าผาอยู่บนเขาสูงนะแล้วก็มีหน้าผามองลงไปก็เป็นเหวนะที่นั่นเนี่ยคนที่เจ็บป่วยก็ดีคนที่เป็นหนี้สินหรือว่า รู้สึกว่าเจอเคราะห์ก็จะไปที่วันนั้นที่วันนั้นนี่เขามีมีพิธี น, นึงนะพิธีนี้เนี่ยนะมันเป็นพิธีเหี่ยงไอ้จานนะจานกระเบื้องเนี่ยลงไปในหน้าผาลงไปในเหวใครมีโศกใครมีความมีเคราะห์มีเจ็บป่วยยังไงเนี่ย ก็เขียนไอ้เคราะกรรมนั้นนะ่ยลงไปในจานนั้นเนี่ยเช่นเป็นมะเร็งนะก็เขียนมะเร็งลงไปที่จานหรือว่าเป็นหนี้สินนี่ก็เขียนหนี้สินลงไปที่จานนั่นแนหะแล้วก็เหวี่ยงจานนั้นลงเหวมือนก็ว่าขอให้โศกขอให้เคราะหกรรมทั้งหลายเนี่ยมันมาลายหายไปถ้าเธอก็ไปที่วัดเนี่ยนะแต่แทนที่จะเขียน ขอคำต่างๆลงไปในจานก็เขียนชื่อเขียนชื่อลูกเขียนชื่อสามีรวมทั้งเขียนคําว่าบ้านเขียนคําว่ารถจนลงไปในจานแต่ละใบพอไปที่หน้ า, นาผานี่ก็ก่อนที่จะเวี่ยงจานนี่ก็บอกนะขอบคุณนะรถยนต์นะที่ได้รับใ ช, ช้ฉันตอนนี้ได้เวลาที่แกต้องไปจากชันลแล้วแกก็เวียง จานที่เขียนคำว่ารถยนต์แล้วก็ก่อนที่จะเวียงจานที่เขียนคำว่าบ้านนะก็ลึกในใจเลยที่ถามแล้วนะนะขอบคุณนะบ้านนะทีะ่ช่วยดูแลฉันมาตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องไปจากฉันลนะแล้วก็เวียงจานที่เขียนคาว่าบ้านแล้วก็ถึงตาของนะลูกนะ เธอเขียนเธอก็พูดว่าเนี่ยลูกนะแม่ขอบคุณนะที่ลูกได้อยู่กับแม่มานานหลายปีตอนนี้ได้เวลาที่ลูกจะต้องไปจากแม่แล้วแล้วก็เวียงจานนั้นลงเหวไปแล้วก็ถึงตาของสา ม, มีนะเธอก็พูดเหมือนกันนะว่าเนี่ยขอบคุณนะที่เธอได้อยู่กับฉันมานานนะฉันมีความสุขมากแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เธอต้องไปนะจากฉันแล้วแล้วก็เวียง การแบสุดท้ายพแล้วหลังจากนั้นนี่ไอความเศร้าโศกนะเสียใจก็มันก็คลี่คลายหายไปเลยไม่ใช่ว่าเธอไม่รักหรือว่าหมดรักลูกและสา ม, มีนะก็ยังรักอยู่นะแต่ว่าตัดใจได้แล้วปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นพิธีกรรมนะที่มันช่วยคนได้เยอะช่วยทําให้ปล่อยวางทําให้ตัดใจ พิธีกรรมเนี่ยข้อดีก็คือมันเป็นรูปธรรมนะที่ทำให้สามารถจะช่วยคลายจิตใจได้มีบางคนนะรู้สึกผิดนะสมัยเป็นสาวเนี่ยเอาปูเนี่ยไปไ ป, ไปต้มนะปูเป็นเป็นเลยไปต้มในน้ำร้อนนะเพื่อที่จะทำอาหารให้สามีแต่ก่อนก็ไม่คิดอะไรนะแต่พอมาพอมาสนใจธรรมะ ก, ก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นบาป ผ่านไปสี่สิบปีห้าสิบปีก็ยังรู้สึกผิดนะถ้าเธอกลัวว่าเนี่ยถ้าเกิดตายไปเนี่ยแล้วนึกถึงปูตัวเนี่ยตอนจะตายนีย่คงจะไปอับอ า, บายที่จริงมันไม่ใช่ปูตัวเดียวนะหลายตัวด้วยยายามทำยังไงก็ไม่ตัดใจไม่ได้นะก็ยังรู้สึกผิดนะจนทั้งครวหนึ่งก็มาอบรมรเผชิญความตายกับอาตมาเนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องความรู้สึกผิดก็เลย เลยบอกโยมว่าเนี่ยตามาจะขอบินทบาทนะมีความรู้สึกผิดเรื่องอะไรเนี่ยเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็ามาให้ตามาใส่บาตาตมาขอบินทบาทเธอก็เขียนในความรู้สึกผิดที่ไปฆ่าปูเนี่ยนะติดค้างมาห้าสิบปีก็เขียนใส่บาตแล้วก็รวบรวมกันพอเสร็จแล้วก็ทำพิธีเผาเลยนะ แล้วก็บางสุกุลไปด้วยอ น, นิจจาวัฏสังขารานะรากว่ามันช่วยเธอได้นะหลังจากนั้นนี่ก็เรียกว่ารู้สึกโปร่งโล่งนะไม่รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกผิดที่มาหลอกหลอน น, ะนั่นพฤติกรรมนี่มันก็ช่วยปล่อยวางนะักที่คลายความเศร้าได้นะจริงจริงเนี่ยถ้าว่าเราเราตระหนักนะถึง ความพัดพลาดสูญเสียที่ถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยมันสามารถจะเป็นเกราะป้องกันเราได้มันสามารถจะเป็นภู ม, ามาิคุ้มการจิตใจเราได้จริงถ้าเราเลึกถึงคําของพระเจ้าที่จัดกับนางปตจรานะนางปาจรานี่สูญเสียทั้งสามีลูกสองคนลูกที่พึ่งคลอดด้วยสามคนหนึ่งแล้วก็ลูกเล็กอีกคนหนึ่งและตอนหลังก็พบว่า พ่อแม่พี่ชายก็ตายในเหตุการณ์ที่แตกต่างกนะันแล้วแต่ว่าใกล้ๆกันเธอเป็นบ้าเลยนะผ้าผ่อหลุดลุย่ยแต่ก็ไม่ถึงกับบ้าแบบไม่รู้เรื่องนะฟังรู้เรื่องอยู่บ้างอเจ้าก็บจักกันนางปตจลาว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์ความเศร้าโศกเนี่ยของคนเรานี่ในวัตสาสงสารนี่มันเยอะมากนะน้ําตาที่เกิดจากความโศกเศร้าเนี่ย ในชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่านี่รวมกันแล้วนี่มันมากพอๆกับน้ําในมหาสมุทรเลยนะน้ําตาเนะ่ยนามพิจารณาก็เห็นจริงเลยนะก็รู้สึกว่าโอ้การเกิดขึ้นมานี่เป็นทุกข์มากการเกิดมานี่มันเป็นทุกข์มากนะมันเต็มไปด้วยความโศกความเศร้าก็ทํำให้ในสุดเนี่ยเธอก็ได้เกิดปัญญานะจนทั้งได้เป็นพระโสดาบัน เราลองพิจารณาแบบนี้ก็ได้นะว่าเกิดมาเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยความพัดพาดสูญเสียเยอะเมื่อเกิดความพัดพาสูญเสียขึ้นมามันก็จะได้สอนใจว่าเนี่ยให้เห็นโทษของการเกิ ด, ห เ, หก เ, กดหเห็นโทษของความยึดติดนะแล้วความอยากที่จะไม่เกิดเนี่ยมันก็จะได้ค่อยก่อตัวขึ้นซึ่งก็นำไปสู่การทำความเพียร น, นะเพียรที่จะไม่เกิดอีก ก็ใช้ความพลาดพลาดสูญเสียเนี่ยเป็นตัวกระตุนนะให้เกิดความเพียรในการที่จะไม่ต้องเกิดให้มันต้องทุกข์เล้วทุกข์เล่าอีกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์นจากความสูญเสียนะการที่ปล่อยให้มันเล่นงานจิตใจจกนกระทั่งไม่เป็นผู้เป็นคนเนี่ยก็มาใช้เป็นเครื่องกระตุนนะให้ทําความเพียรที่จะเพื่อได้ไม่ต้องเกิดอีกจะได้นม่ตองเจอความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าดีนะก็ พยายมป้องกันจิตใจไม่ให้ไม่ให้โศกไม่ให้เศร้าตั้งแต่แรกขณะที่เรายังไม่โศกไม่เศร้าขณะที่เรายังไม่สูญ เ, เ, เสียเนี่ยนะก็เตือนใจตัวเราเองอยู่เสมอนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยต้องสูญเสียบทพิจารณาอภินัปัจจเวงเนี่ยบทหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นของรักของชอบใจนี่ก็รวมถึงคนรักด้วยนะ พิจารณาอยู่เสมอนะคะที่เรายังไม่สูญเสียเตือนใจตัวเองเสมอนะคะที่เรายังไม่ได้สูญเสียคนรักอันนี้มันจะเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจได้นะถึงเวลาที่ต้องสูญเสียคนรักก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจมากเพราะว่าได้เผื่อใจไว้แล้วอันนี้เป็นการป้องกันไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบลันลานใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแต่แล้วพอสูญเสียคนรักก็ เสียศูนย์ไปเลยนะนะทางที่ดีก็ป้องกันเอาไว้ก่อนนะด้วยการเราลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนึกถึงการที่ต้องสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนที่อยู่ไกลตัวออไปอันนี้มันจะช่วยทำให้พอเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะทำใจได้นะสูญเสียน้อยลงไม่ใช่ไปรอให้เศร้าโศกน้อยลง ไม่ใช่ไปรอให้สูญเสียแล้วค่อยมาเศร้าโศกแล้วค่อยหาทางเยียวยาอันนั้นมันอาจจะสายไปก็ได้เอาแล้วก็พูดกันเท่านี้เช้านี้อะ